ก็โอเคเนาะก็ได้พูดเป็นธรรมะเป็นการพูดแบบโดยรวมทั่วไปนะเพื่อให้มีความเห็นถูกต้องว่าจริงๆมันก็ไม่มีเรานะแล้วก็เรานี่มันก็เป็นสิ่งที่สมมุติเรียกกันเฉยๆทีนี้มาตอนนี้ก็เริ่มมีญาติโยงเข้ามาแล้วเนาะก็เข้าประเด็นได้เลยวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเห็นสักแต่ว่าเห็น ทีนี้เรื่องนี้คือหลายคนเนาะเมื่ออ่านพระสูตรก็ดีหรือว่าเคยได้ยินได้ฟังนะสูตรพระพายยะก็ได้มีการกล่าวคำพวกนี้อยู่แล้วก็เมื่อได้ยินได้ฟังตัวเองตัวเราเนี่ยก็จะไปฝึกไปฝึกเหมือนกับว่าไปฝึกให้เห็นสักแต่ว่าเห็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังนะตรงนี้ในขั้นตอนการฝึกนี่แหละ หลวงพ่อก็มีประสบการณ์ก็คือว่าปฏิบัติผิดแต่อ่านเนี่เมื่อเมื่ออ่านพบคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นหลวงพ่อก็เอาตัวเราเนี่ยไปฝึกทำเป็นนะให้ตัวเราเนี่ยสักแต่ว่าเห็นคือไม่คิดไม่นึกไม่อยาอะไรคือให้เหมือนกับมันตายสนิทไปเลยสักแต่เห็นจริงๆไม่ปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นไม่ถูกมันไม่ถูกตั้งแต่เอาตัวเราไปฝึกแล้ว เนะพราะยังมีอัตตามีตัวตนไปฝึกเมื่อมีอัตตาตัวตนไปฝึกเนี่ยแล้วก็จะให้เห็นสักแต่ว่าเห็นยังไงมันก็เป็นสักแต่เห็นไม่ได้เพราะมันผิดตั้งแต่ต้นแต่โดยเนื้อแท้โดยธรรมะโดยแก่นของมันแล้วเนี่ยสักแต่เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยคือมันเป็นเป็นสภาพธรรมะมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเรื่องของเราอเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเป็นธรรมะที่มีอยู่จริง เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอยู่จริงโดยเราเนี่ยไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทาให้เป็นสักว่าเห็นเพราะสักแต่ว่าเห็นเนี่ยมีอยู่จริงๆพระพุทธเจ้าไปพบมาแล้วก็ไปสอนไปบอกพระพ่ายย ะ, ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะจะอ่านในในนี่นิดหนึ่งนะเพื่อเป็นการเออเอา พุทธพจน์เอาเอาพุทธวจนะอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งแปลมาเป็นภาษาไทยอะนะก็จะอ่านให้ฟังย่อๆอย่างนี้นะว่าเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้สัตกับพระภายยะว่านะดูก่อนพระภายะเพราะเหตุนั่นแลท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจักเป็นศัก์ว่าเห็นเมื่อฟัง จักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งดูก่อนพาหิยะท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหลดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟัง เมื่อทราบจากเป็นศักด์ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจากเป็นศักด์ว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านยอมม่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แหลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ลำดับนั้นแหลจิตของพาหิยะรุจิริยะกุลระบุรหลุดพ้นจากหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในขณะนั้นเองนะเอาอย่างย่อพวกนี้มันเป็นคำที่แปลนะจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาไทยนะท่านก็พูดเป็นภาษามคตหรือภาษาที่ ท่านพูดแต่อันนี้ได้แปลมานะก็เอาเป็นว่าก็คงจะเชื่อไว้ก่อนว่าเออผู้แปลก็คงมีความรู้แหลนะเนาะถึงได้แปลมาได้แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นการแปลอยู่ดีไม่ได้ออกมาจากพระโอษฐ์โดยร้อยเปอร์เซ็นตะ์การแปลอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าเอาเป็นพอเป็นแนวทางไว้ว่าเออถ้าเมื่อสักแต่เห็นเนี่ยนะขณะใ ด, ดาที่เมื่อสักแต่เห็นเนี่ยตัวเธอก็ไม่มีนะ เมื่อตัวเธอไม่มีก็ไม่มีในโลกนี้ในโลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองตรงเนี้ยหัวใจของมันคือเหมือนกับว่าจะบอกว่าเมื่อขณะใดนั่นหมายถึงว่าขณะปัจจุบันใดนะเมื่อสักแต่เห็นนะเมื่อได้เมื่อเห็นนะตัวเธอไม่มีนี่ตรงเนี้สําคัญทีนี้เมื่อตัวเธอไม่มีเนี่ยแน่นอนปัจจุบันตัวเธอก็ไม่มีอนาคตก็ตัวเธอไม่มีนะชาติไหนไหนหมายความว่าอะไรก็ตามที่อยู่ภายภาคหน้าเนี่ย มันก็ไม่มีตัวเธอพยะไม่มีปัญญามากพอฟังแค่เนี้ยก็จิตหลุดพ้นเลยถอนจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อก่อนหลงยึดว่ามีเราเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ได้ยินเราเป็นผู้ทราบเราเป็นผู้รู้แจ้งนะก็เลยจิตหลุดคือไม่ยึดมั่นสิ่งใดเลยคือไม่ยึดว่าไม่หลงผิดว่ามีตัวมีตน ม, ม, มีเรานะก็จึงเป็นความหลุดพ้นไปนะจึงเรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็คือไม่มีผู้ทุกข์คือไม่มีอะไรนะ แต่ทีนี้พวกเรานะถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเราไม่ได้ยินอถาธิบายอย่างจากผู้รู้จริงๆเนี่ยยังไงก็ตีความไม่ถูกเพราะอย่างน้อยหลวงพ่อเองก็ผิดมาแล้วคือตีความว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้สักแต่เห็นเห็นไหมมันบังคับตัวเองเหลือเกินนะบังคับตัวเราเนี่ยที่จะเมื่อเห็นก็ให้สักแต่เห็นเช่นหลวงพ่อพูดเป็นภาษาสมมตินะเช่นเมื่อเห็นมีคนเดินมาเนี่ย คนที่เดินมาหาเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นนี่หลวงพ่อพูดแบบห ย, ยาบๆเพื่อมันเข้าใจไงเป็นเป็นภาษาสมมตุติเมื่อมีคนเดินมาหาเราเขาเรียกว่าเราเห็นใช่ไหมเราเห็นแต่ทีนี้ตามความเป็นจริงนี่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันต้องจําได้ถ้าคนเคยพบเคยเห็นมาว่า อ, อ๋อคนนี้นายกนายขอจาได้ อ่าแล้วก็จะรวมถึงมีความรู้สึกดีใจรู้สึกพอใจหรืออาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบเกลียดชังคนนี้นะแล้วก็ตัวเราเนี่ยมันก็ทั้งพูดอาจจะบ่นในใจบอกถ้าคนชอบใจก็อาจจะพูดว่าเออดีจังเลยเขามาหาเรานานแล้วไม่ได้เจออันนี้เขาเรียกว่าพูดในใจหรือบางคนอาจจะไม่ถูกกันมาทําไมวะโอ้ยไม่อยากเห็นหน้าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พูดในใจนะ เพราะนั้นรวมความที่หลวงพ่อ ย, ยกตัวอย่างอย่างนี้ยเมื่อเห็นเนี่ยมันไม่ได้สักแต่เห็นคือหมายความว่ากระบวนการทํางานเนี่ยมันมีพึบเลยทั้งหมดเลยเมื่อเห็นก็คือทั้งเห็นทั้งมีความรู้สึกทั้งจําได้แล้วก็ทั้งพูดทั้งคิดทั้งภาคในใจมันพึบเดียวเลยมันมาในเขาเรียกว่ า, วามาพร้อมกันเลยก็ได้มาเร็วมากแบบพึบเดียวนะแล้วก็มันก็ต่อเนื่องก็คือปรุงแต่งไปต่อเรื่อย ๆ, ๆนะก็เป็นปรุงไปเรื่อย แต่ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยด้วยการที่แปลความอ่านแล้วก็คือไม่เข้าใจก็เลยไปใช้สูตรนี้เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเห็นอะไรเมื่อเห็นใครเนี่ยให้สักแต่เห็นก็หมายความว่าไปดับไอ้เรื่องอความรู้สึกทางเวทนาไปดับสัญญาไปดับความคิดปรุงแต่งหมายความว่าไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันจําได้คือให้สักแต่เห็นสักแต่เห็นแบบร้อยเปอร์เซนตามที่เข้าใจอันนี้ผิดหมดเลยไม่ใช่ แต่สักแต่เห็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ต้องเกี่ยวข้องแต่ทํำยังไงนะให้มีปัญญาให้เข้าถึงธรรมชาติเนี้ธรรมชาติที่สักแต่เห็นเนี่ยจะทําอย่างไรเพื่อให้พบอย่างเพื่อให้พบเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพบมาแล้วแล้วก็มาบอกพระพายะทีเนี้ยตรงนี้จะอธิบายเท่าไหร่ยหลวงพ่อว่ามันยากมากแต่ที่จะทําให้เข้าใจได้ก็ต้องมีการยกตัวอย่าง ประกอบแล้วก็ให้พิจารณาตามเนี่ยสิ่งที่พอจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือต้องอาศัยการอถาธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วก็พวกเราก็ต้องมีสติมีสมาธิเพียงพอที่จะรับฟังนะทีนี้หากอย่างนี้ไปหลวงพ่อก็จะยกตัวอย่างนะประกอบเพื่อให้รู้จัก เพื่อให้พบว่าสักแต่เห็นเนี่ยคือเป็นอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงเรื่องสักแต่เห็นอย่างเดียวนะสักแต่รู้สักแต่ทราบไปนะั้นวางไว้ก่อนสักแต่ได้ยินวางไว้ก่อนนะมาพูดถึงเรื่องสักแต่เห็นอสภาพธรรมะเห็นมีอยู่นะเห็นเป็นเห็นเห็นมีอยู่นี่เขาเรียกว่าธรรมะใครจะมาเถียงใครจะมาโต้แย้งคัดค้านไม่ได้นะอ่าทีนี้เอาเป็นอย่างนี้เนาะเอ่อ เอาที่โยมอยู่ต่อหน้าต่อตาของโยมก็ได้เนาะแต่บางทีเราไม่ได้มองสิ่งเดียวกันเวลาพูดไปแล้วไม่รู้มันจะยังไงเดี๋ยวก็ลองก่อนสมมติว่าเอาเป็นอย่างนี้หลวงพ่ออยู่ตรงนี้นะหลวงพ่อก็มีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งคนอื่นๆไม่รู้ว่ามีพัดลมไหมเพราะว่าถ้ามีพัดลมแล้วก็มันจะยกตัวอย่างหรือมันจะเหมือนกันเอานี้ก็ได้ทุกคนคิดว่า น, น่าจะอยู่ในเอาใหม่เอาใหม่ เมื่อเช้าก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็คุยกับหลวงหลวงตาเกษมนะก็มาอธิบายเรื่องเนี้ยก็หลวงตาเกษมก็ก็เข้าใจได้เป็นเป็นสิ่งเดียวกันคือดังนั้นเอาหลวงพ่อลองพูดแบบนี้ก่อนนะสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีมีหลวงพ่ออยู่คนหนึ่งแล้วมีหลวงตาเกษมก็อยู่คนหนึ่งเราก็นั่งนั่งเข้าหากันคือหันหน้าเข้าหากันทีนี้หลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ว่า หลวงพ่อเป็นคนเห็นหลวงตาเกษมหลวงตาเกษมก็เป็นคนเห็นหลวงพ่อตอนนี้มีการเห็นแล้วล่ะนะก็หมายความว่าหลวงพ่อเป็นคนเห็นหลวงตาเกษมนะแล้วหลวงตาเกษมก็เป็นคนเห็นหลวงพ่อพอมีตาเนาะทีนี้เมื่อเห็นกันแล้วก็เรียกว่าต่างคนต่างเห็นแบบนี้เรียกว่ามีตัวเราเป็นผู้เห็นเข้าใจเนาะ อันเนี้ยในชั้นต้นแน่นอนทุกคนเข้าใจได้ก็คือเคยไปเห็นล่ะก็เรานั่นแหละอทีนี้ขยายความก็คือว่าไปเห็นอะไรตอนนี้หลวงพ่อเปลี่ยนภาษานิดนึง่งไปเห็นสิ่งที่ถูกเห็นนะเพราะว่าคําว่าสิ่งที่ถูกเห็นในต่อไปเนี่ยมันใช้รวมได้ทั้งหมดแหละมันไม่ใช่แค่หลวงตากเกรมแล้วก็หมายความอะไรก็ตามที่มีการกระทบทางตาแล้วเกิดการเห็นเนี่ยสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดนะเอาเป็นว่าตอนเนี้ย เราเป็นผู้เห็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเลยนะอันนี้กว้างเนี่ยบมกว้างเราทีนี้ยอมจับตรงนี้ได้ดีนะตอนเนี้ยเราเป็นผู้เห็นแต่ทีนี้ให้พิจารณาต่อว่าอันนี้กลับมาที่หลวงพ่อเกษมนะเพื่อจะเป็นภาพชัดให้พิจารณาต่อว่าเมื่อเราเป็นผู้เห็นหลวงตาเกษมนะเราเป็นผู้เห็นหลวงตาเกษม ตอนนี้จึงมีการรู้จักรู้จักวัตถุรู้จักสิ่งถูกเห็นสองอย่างก็คือหลวงตากเกษมก็อย่างหนึง่งตัวหลวงพ่อก็เป็นวัตถุก้อนหนึง่งก็มีอยู่แต่เมื่อดูไปดูมาดูไปดูมาก็ปรากฏว่าจะเห็นทั้งหลวงตากเกษมและก็เห็นตัวเองว่าตัวเองก็เป็นวัตถุก้อนหนึง่งหลวงตากเกษมเป็นวัตถุก้อนหนึง่ง ตอนนี้จะเกิดการเห็นขึ้นมาแล้วคือเห็นตัวเองนะสภาพธรรมะที่เห็นตัวเองเนี่ยหรือว่าเรียกว่าเห็นตัวเราเนี่ยอันเนี้ยเป็นสภาพธรรมะที American, ่มีอยู่จริงแต่สภาพเห็นเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้เห็นเพราะว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วตัวหลวงตาเกษมก็เป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วแต่สภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงถ้าไม่มีอยู่จริงจะรู้ได้ยังไงว่ามีตัวหลวงพ่อ มีหลวงตาเกษมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เห็นนี่มีอยู่จริงการเห็นด้วยสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เราเห็นแต่เป็นการเห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะเห็นเนี่ยมันก็เป็นเห็นมันจะเป็นอื่นไม่ได้ส่วนตัวหลวงพ่อตัวหลวงตาเกษมก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ไม่ใช่สภาพเห็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ให้เข้าใจชัดเจนเลยว่าสภาพเห็น เป็นสภาพที่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่ใครนะแต่ตัวเราที่ถูกเห็นอันนี้ก็เป็นสภาพธรรมะอันหนึง่งซึ่งถ้าซอยแยกแยกตัวเราเนี่ยให้เป็นขนันห้าปรากฏว่าตัวเราเนี่ยก็คือมีตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดแต่สภาพธรรมะที่มีอยู่จริงที่เห็นอันนั้น่ะมันไม่ใช่ขนันห้ามันเป็นสภาพธรรมะที่าเรียกว่า มีคุณสมบัติเห็นอย่างเดียวไม่เป็นอะไรทั้งหมดเพราะเห็นย่อมเป็นเห็นขันห้าย่อมเป็นขันห้ารูปย่อมเป็นรูปเวทนาย่อมเป็นเวทนาสัญญาย่อมเป็นสัญญาสังขารย่อมเป็นสังขารวิญญาณที่เกิดจากการกระทบหูตาจมูกเลี้ยงกายใจย่อมเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นสภาพเห็นอันเนี้ยมันจึงไม่ใช่วิญญาณเพราะเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะเป็นเอกเทศเมื่อเข้าใจอย่างเนี้ยเราก็จะรู้จักเลยว่าอ๋อ สภาพธรรมะที่เห็นตัวเรานะที่เห็นเนี่ยเห็นเห็นตัวเราเนี่ยตรงนี้ยเขาเรียกว่าสักแต่เห็นเพราะเห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นคิดไม่ได้เห็นจะเป็นความรู้สึกไม่ได้เห็ war, นจะเป็นสัญญาไม่ได้มันก็เลยเป็นเห็นแค่เห็นตรงนี้แหละเป็นสภาพธรรมะที่เรียกว่าเห็นแล้วก็เมื่อเป็นอย่างเนี้เห็นไหมก็จะมีปัญญาที่จะเข้าใจได้เหลือว่าไอ้สักแต่เห็นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเธอมันไม่ใช่เธอนะสักแต่เห็นเนี่ยมันก็มีอยู่ เพราะฉะนั้นมีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ในอนาคตมีอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันก็สักแต่เห็นอยู่ล่าไปเพราะฉะนั้นสักแต่เห็นเมื่อไม่มีเธอไม่เป็นเธอเนี่ยพระพายะเนี่ยในสตดเนี้ยท่านมีปัญญามากจึงถอนความยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าถอนหมดเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีเราเป็นผู้เห็นบัตรนี้โอ้ไม่ใช่เราเห็นแต่มันเห็นสักแต่เห็นก็เลยเข้าใจแจ่มแจ้งจึง หมดข้อสงสัยแล้วก็ไม่มีไม่มีตัวตนเนาะเพราะสิ่งถูกเห็นมันก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วนะพราะเป็นสังขารเกิดดับนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่เห็นก็สักแต่เห็นเป็นอมตะอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอื่นนะแล้วก็ตรงเนี้ยสาระสําคัญคือสภาพเห็นเนี่ยเป็นแค่สภาพเห็นไม่เป็นคิดไม่เป็นรู้สึกไม่เป็นจําไม่เป็นพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นเห็น ถ้ายมเข้าใจตรงเนี้ยยมไม่ต้องมาปฏิบัติให้เป็นผู้สักแต่เห็นเพียงแต่ว่าแค่รู้สึกตัวรู้ตัวเราแค่นั้นแหละก็จะสักแต่เห็นตัวเราแล้วก็พ้นทุก์ได้ในปัจจุบันอ่หลวงพ่อก็พูดแบบพยายามเอาคําพูดมาให้กระชับที่สุดแล้วถ้าผู้ใดฟังแล้วหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็อมาพูดคุยกันต่ อ, อเชิญ น, นะ ครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านนะครับก็พูดตรงๆกันแล้วว่าพระอาจานอ๊อดก็พูดได้ละเอียดแล้วก็รอบครอบแล้วก็สาธยายจนมีความแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วนะครับในขณะนี้นะครับ ก, ก็ต้องตอบจริงๆเลยว่าเป็นเราเห็นนะแล้วก็ตอบจริงๆเลยว่าเออได้เราได้ยินเราได้ฟังแต่ว่าเออถ้าสักแต่ว่านี้ครับหรือว่าสักแต่ว่าเห็นนั้นหมายความว่า ถ้าคนที่อยู่ในโลกของความคิดนึกก็ต้องไปตีความอีกว่าเออคําว่าศัพท์แต่ว่าคืออะไรก็คือมันแล้วแต่ภาษานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วขณะนี้นครับมันก็เป็นเราเห็นหมดเลยเราได้ยินเราคิดนึกเราทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดว่าเออศัพท์แต่ว่าเห็นในในตรงนี้หมายถึงว่าไม่มีเราที่จะไปเห็น ถ้าไม่มีเราแล้วอะไรเห็นก็หลวงพ่อได้อธิบายว่าเป็นธรรมชาติของการเห็นอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เราซึ่งภาษาก็ได้บอกได้เลยว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มารู้อีกทีหนึงว่าที่เราเห็นเราเห็นนั้นมันยังไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมของจริงนั้นก็คือไม่มีใครเห็นไม่มีเราเห็นไม่มีไม่มีเราไม่มีเขาแต่ว่าที่เป็นเราเป็นเขาได้เพราะว่ายังไม่เห็นสภ า, าะวะอีกอย่างหนึ่งที่ว่าพ้นเราพ้นเขาดังนั้น ตรงนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่ที่น่าจะใจร้องกันอีกทีว่าเออคําว่าเราเห็นนะเราเห็นเราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเราเห็นจริงๆริงไหมบางคนก็เฉยเฉไปอีกว่าเออเป็นจิตเห็นเป็นปัญญาเห็นก็ไม่ตรงสักทีหนึ่งแต่ถ้าตรงจริงๆก็ต้องบอกตรงๆว่าเราเห็นไม่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่ใครอื่นเห็นเราเห็นแต่ต้องรู้ว่าเราเห็นในที่นี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่ถูกเห็นไหมเหมือนลุงพ่อบอกว่ามีสิ่งที่ถูกเห็นเสมอ เพราะเรามีเราเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ถูกเห็นเสมอเลยครับต้องต้องพูดว่าอย่างนี้เลยว่าเสมอแต่วันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยว่าตัวเราที่เห็นนี้เป็นเป็นกลายเป็นตัวเราถูกเห็นเสียแล้วนี่ครับเมื่อตัวเราถูกเห็นเสียแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นอีกตัวเราไม่เป็นไม่เป็นเราเหมือนเดิมแล้วเราเราเราที่เป็นเดิมเดิมที่เคยเป็นเห็นปกติกลายเป็นเป็นผู้ถูกเห็นเสียแล้วดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกได้เลยว่าไม่มีครูบาอาจารย์เท่าไหร่ที่ มากมายนักที่จะมาพูดกันตรงนี้ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้เห็นความจริงเลยว่าเออเมื่อเราถูกเห็นเสร็แล้วเนี่ยไอ้ที่เราถูกเห็นเสียแล้วนี้ไอ้ตัวเราถูกเห็นเสร็จแล้วนี่เป็นเราอีกไหมท้าทายคําถามนี้ครับว่าท่านทั้งหลายมีความเห็นยังไงบ้างว่าตัวเราถูกเห็นเสร็จแล้วเป็นเราอีกไหมหรือว่ายังเป็นเราอีกเพื่อจะให้ใส่ใจลองอีกว่าในเมื่อเราถูกเห็นเสียแล้วเนี่ยไม่เป็นเราแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรแล้วก็สิ่งที่มารู้ทั้งหมดทั้งมวมนทั้งเห็นทั้งเราถูกเห็นนี้ ถ้าไม่เรียกว่าใครแล้วเรียกอะไรไม่ได้เลยนั้นก็ไม่ต้องเรียกเสียเพราะเรียกอะไรไม่ได้เลยดังนั้นตรงนี้จะเป็นอีกธรรมชาติหนึ่งซึ่งปุตุชนหรือว่าเออผู้ที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างนี้ได้แน่นอนเพราะมันมีเราถูกเห็นเสียแล้วปกติเราจะไม่เคยถูกเห็นเลยไม่เป็นผู้ถูกกระทํำเสียเลยเป็นแต่เป็นแต่ภาคประธานเป็นแต่ภาคประธานที่เป็น เป็นเป็นตัวต้นของทุกอย่างในการแสดงต่างๆแต่วันนี้ภาคประธานถูกกระทำโดยถูกเห็นเสียแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ภาคประธานเสียแล้วดังนั้นคำพูดของศักจธว่าเห็นเนี่ครับมันทำให้เห็นความจริงเลยว่าเออ ตรงนี้ลึกซึง้งแต่ถ้าอยู่ในโลกของความคิดนึก <_ d> um> ก็จะต้องเข้าใจว่าพระภาหิยะต้องบรรลุหรือว่ารู้อะไรที่ที่สุดยอดมาก่อนหรือว่าเข็นอะไรที่พิสดารอัศจรรย์พันลึกหรือว่ารู้ในสิ่งที่มันต้องเป็นแบบฟ้าทะฟ้าทะลถลมดินทลายโลกาธาตุสันสะเทือนอะไร <_ d> um> เข้าไปเชื่อแบบว่าเออถกความคิดอีกมุมมองหนึ่งว่าเออถ้ารู้แบบพิเศษอะไรแบบเนี้รู้แบบไม่ธรรมดาอะไรแบบนี้เนี่ย มันจะต้องเป็นรู้ที่พิเศษเหมือนกับมีตาทิพย์เหมือนกับพวกพวกไม่ธรรมดาทั้งหลายซึ่งไอความคิดแบบนี้จะครอบงำความจริงอย่างมากเลยเพราะบางท่านบางพิสูจบางรูปก็เอามาพูดเสีว่าเออเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่มันต้องเป็นเห็นแบบอัศจรรย์เหมือนฟ้าถล่มดินทลายโลกกระแทกสันสะเทือนแผ่นดินไหวยิ่งกว่าจั้งมันมันกลายเป็นผู้ที่ไม่สนใจตรงนี้ลงไปอีกในกราบแสดงความคิดเห็นเท่านี้ก่อนครับ อ่าเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างประกอบเนาะเพื่อให้เกิดปัญญาให้เหมือนกับว่ามีเกิดปัญญาถึงขั้นที่เรียกว่ารู้จักเลยรู้จักด้วยใจเลยว่าไอ้สักแต่เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะแต่สักแต่เห็นเนี่ยไม่อาศัยอายตนะเพราะอายตนะเป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเลยนะไม่ว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจธรรมารมทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็น เพราะฉะนั้นเห็นในที่นี้เป็นสัจจะทำแท้คือไม่อาศัยาตตนะแต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงมีสภาพที่เห็นเห็นเป็นเห็นนะไม่เป็นสิ่งถูกเห็นเห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกเห็นไม่ได้เลยแต่อายาตตนะหูตาจมูกลิ้นกายอายตนะภายในก็เป็นสิ่งถูกเห็นทําไมจึงเรียกว่าถูกเห็นเพราะว่าตาไม่ใช่ตาไม่ใช่สภาพเห็นหูไม่ใช่สภาพเห็นจมูกไม่ใช่สภาพเห็นนะลิ้น ไม่ใช่สภาพเห็น ก, นกายก็ไม่ใช่สภาพเห็นแล้วก็อายตนะภายในที่เรียกว่าใจมันก็ไม่ใช่เป็นสภาพเห็นแล้วก็อายตนะภายนอกรูปก็ไม่ใช่เป็นสภาพเห็นรสกลิ่นเสียงสิ่ ง, งกระทบกายแล้วก็ธรรมอารมณทั้งหลายมันก็ไม่ใช่เป็นสภาพเห็นแต่มันเป็นสภาพที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นสภาพเห็นที่หลวงพ่อกาลังพูดถึงเนี่ยที่บอกว่าสั์แต่เห็นเนี่ยไอเนี้ยไม่ได้ เป็นเรื่องของอายตนะมันมันพ้นไปจากอายตนะนะแล้วอายตนะทุกทุกอย่างนะสิบแปดใช่ไหมหกกลางแล้วก็นอกสิบแปดหกสิบแปดพวกเนี้ยอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์หมดเลยเป็นความไม่เที่ยงหมดเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปเกิดดับแต่สภาพธรรมะเห็นเนี่ยไม่มีสภาพไม่มีลักษณะการเกิดไม่มีลักษณะการปรากฏเพราะไม่อาจจะถูกรู้ได้ไม่อาจจะถูกเห็นได้เพราะมันเป็น สภาพเห็นเสียเองมันจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ของอเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกขังอะไรนะเป็นความไม่ปรากฏมันเป็นอมตะอยู่นิรันดร์การอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าขันห้าร่างกายแตกดับสลายไปยังไงแต่ธรรมชาติเห็นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนยังมีอยู่นะมีอยู่เป็นความไม่ตายไม่อาจถูกทำลายนะแต่ตรงนี้มันจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อ เข้าถึงอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเข้าถึงเข้ารู้จักแล้วเนี่ยมันก็จะแยกแยะได้เองว่าเออสภาพธรรมเห็นเนี่ยที่สักแต่เห็นเนี่ยมันไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยในสิ่งที่ที่อย่างอื่นมันเป็นนะถ้าเจมแจ้งตรงเนี้เอาละพอเข้าใจแล้วว่าสักแต่เห็นจากนี้ไปเราอย่าเอาตัวเราปฏิบัติเพื่อให้ตัวเราเป็นสักแต่เห็นเพราะสักแต่เห็นเนี่ยเป็นสัจจความจริงเป็นธรรมชาติแท้ธรรมชาติเดิมมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างไม่ต้องทำอะไรนะสิ่งนี้แหละคือพระพุทธเจ้าไปพบแล้วก็มาบอกพระพายะหรือบอกสาวกทั้งหลายเนี่ยว่าสิ่งนี้มีอยู่นะสิ่งนี้มีอยู่มีอยู่แต่ไม่ปรากฏฟังออกไ้ยมีอยู่แต่ไม่ปรากฏคำว่าปรากฏคือมีลักษณะการเกิดเนาะแล้วก็ปรากฏให้รับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจได้แต่ธรรมชาติเห็นที่ว่าสักแต่เห็นเนี่ยไม่มีการปรากฏแต่มีอยู่อ่า ถึงเนี้ยเรื่องพวกนี้ถ้าสมมติว่าไม่เห็นไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาแบบนี้ยอธิบายเท่าไหร่ก็เข้าใจไม่ได้เฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยพยายามยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจนะอาจจะขอยกตัวอย่างอีกอีกตัวอย่างหนึ่งอขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะว่าเออเอาเรื่องเก่าๆก็ได้ที่เคยยกตัวอย่าง เออมันมีเรื่องเรื่องเรื่องเล่านิดหนึ่งนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะมีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะก็มีชื่อเสียงแหลแต่ว่ามันอยู่ไกลจากความเจริญรุ่งเรือนงะอยู่ในป่าลึกนู่นนะสำนักปฏิบัติแห่งเนี้ยก็ก็เป็นที่รู้จักของผู้คนแหละแล้วก็คนที่ปรารถนาที่อยากจะได้ความรู้แจ้งรู้จริงก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ แต่ทีนี้ด้วยว่ามันมีอยู่ชายสองคนเนาะอ่าก็ประสงค์ที่จะมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์เนี่ยแต่อาจารย์มีเงื่อนไขว่าคนที่จะมาปฏิบัติได้เนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบในเบื้องต้นก่อนนะถ้าผู้ใดมีปัญญานะอาจารย์เห็นว่าผู้นี้มีปัญญาก็จะรับไว้เป็นสิบแล้วก็ให้ปฏิบัตินะอ่าทีนี้เมื่อชายสองคนได้มา มาทำการทดสอบเนาะอาจารย์จะให้โจทย์อย่างนี้คืออาจารย์บอกว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะเอานกไปคนละตัวนะแล้วเอาไปไปฆ่านะแต่ต้องไม่มีใครเห็นอ่าเอานกเนี่ยไปฆ่าแต่ต้องไม่มีใครเห็นนะถึงจะฆ่าได้ชายสองคนเนี่ยต่างคนก็รับนกคนละตัวแล้วก็เดินแยกย้ายกันไปเพื่อที่จะไปอ่าไปตรงที่ว่า ตามตัวเองเข้าใจว่าต้องไม่มีใครเห็นนะเพื่อจะได้ฆ่าได้ก็จะได้มาบอกอาจารย์ว่าเอฆ่านกแล้วทีนี้มันก็เป็นเรื่องราวว่าไอ้ชายคนแรกนะอชายคนที่หนึ่งเนี่ยหลังจากที่เอานกไปแล้วก็ไปเข้าไปลึกไปอีกเหมือนกับว่าต้องยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่มีใครเห็นถึงจะฆ่านกได้ตัวเองก็พอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนาะก็หันซ้ายเลี้วขวาหันรอบตัวหันหมดเลยจนแบบความรู้สึกว่า เอาละไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีใครเห็นตัวเองก็บีบบีบคอนกจนนกสิ้นใจตา ย, ตายนะอ่าแล้วก็อันนี้ชายคนที่หนึ่งนะแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าเนี่ยตัวเองฆ่านกแล้วไม่มีใครเห็นเลยอ่าทีนี้ส่วนชายคนที่สองก็มีพฤติกรรมในเบื้องต้นก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็คือหันซ้ายเลี้ยขวามองรอบทิศทางไม่มีใครเลยไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นเลยแต่ช่วงจังหวะที่จะบีบ ค อ, อนกนี่แหละมันปรากฏว่ามันเห็นตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองกาลังจะฆ่านกแล้วตัวเองจะฆ่านกแล้วชายคนที่สองก็แบบ อ, อย่างนี้ก็คฆ่าไม่ได้ดิเพราะยังมีผู้เห็นอยู่นะผู้เห็นเราอ่ะเห็นเราจะฆ่านกก็เลยสุดท้ายจนปัญญาทำยังไงก็แล้วแต่มันมีแต่ผู้เห็นเรานะเลยฆ่าไม่ได้ก็เลยไปบอกอาจารย์บอกผมฆ่าไม่ได้ มันเห็นเราหมดเลยเราจะฆ่านกมันก็เห็นเราทําอะไรกับนกมันเห็นเราหมดเลยอะ่นะส่วนชายคนแรกมีแต่ตัวเองอะ่ะไปเห็นแต่ข้างนอกแต่ไม่เห็นตัวเองนะตรงเนี้ยก็เลยอาจารย์มองออกแล้วว่าคนไหนที่มีปัญญากว่ากันนะก็คือถ้าโยมฟังแบบเนี้ยยมพอมองออกไหมว่าคนไหนมีปัญญากว่ากันนะจะให้หลวงพ่อฉเฉลยไหมหรือให้รู้เองนะเอาให้รู้เองดีกว่าว่าชายคนแรกกับชายคนที่สองมันต่างกันอย่างไรนะต้องมีความต่างแน่นอน ทีเนี้ยตรงเนี้ยหลวงพ่อเขาจะชี้ให้เห็นว่ามันมีธรรมชาตินะมีธรรมชาติที่มีอยู่จริงนะที่มีอยู่จริงที่รู้ตัวเราได้เราทําอะไรมันก็รู้เราจะฆ่านกมันก็รู้เราเดินเรานั่งเราก็มันก็รู้นะไอ้ธรรมชาติอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่หลวงพ่อกําลังพูดถึงว่าสักแต่เห็นคือมันไม่ใช่เราเห็นแต่มันเห็นเรานะแต่ชายคนแรกอ่ะมันไม่เห็นเราแต่มีแต่เราเห็นเขาคือไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนอกเห็นหมด แต่ไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้จักธรรมชาติที่สักแต่เห็นนี่คือความแตกต่างหลวงพ่อพูดมาถึงขั้นเนี้ยพอมีปัญญาที่จะเข้าใจได้ไหมว่าธรรมชาติเห็นมีอยู่จริงนะซึ่งแต่ไม่ปรากฏตัวผู้เห็นแต่เห็นเราได้เราเดินเรานั่งเรามันเห็นเราได้จริงๆนะไอธรรมชาติอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสักแต่เห็นนะสักแต่เห็นแล้วก็ สามารถเข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าไอ้สักแต่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นเพราะเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วแล้วเราคือใครเราจริงๆก็คือขันห้าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นขันห้าก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็แต่ธรรมชาติเห็นเนี่ยมันพ้นไปจากขันห้ามันไม่เป็นขันห้าขันห้าเป็นอะไรขันห้าเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ธรรมชาติที่สักแต่เห็นเนี่ยมันไม่ปรากฏมันจึงไม่เป็นสังขาร มันจึงไม่มีทุกข์มันไม่มีทุกข์ขังแต่มันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันก็คือไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันถ้าโยมฟังเข้าใจแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเออชาติเนี้ยไม่เสียเป่าแล้วได้รู้จักธรรมชาติที่เป็นสัจธรรมแท้คือธรรมชาติที่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่ะแต่มีความเห็นเขาเรียกว่ามีความรู้มีความเห็นเห็นแจ้งรู้จริงทําไมรู้จริงอ่ะก็ก็มันรู้ ว่าตัวเราทําอะไรขันหําอะไรขันหเกิดดับยังไงมันรู้แจ้งรู้จริงก็เห็นแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะตกมาตายรอบหลังก็คือว่าอ๋อเราเห็นแล้วธรรมชาติที่เห็นสักแต่เห็นเราเห็นแล้วกลายเป็นว่ามีตัวเราไปเห็นในธรรมชาติที่เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นต้องกลับมาเห็นเราอีกทีนึงว่าไอเราที่เป็นผู้เห็นในธรรมชาติอันนั้นเนี่อให้กลับมารู้เราอีกทีมาเห็นเราอีกทีก็จะพบว่าโอ้ถ้ามันเกิดตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่นะ เกิดตัวเราที่เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้วก็มีแตธรรมชาติเห็นมันก็เห็นเราอยู่เรื่อยไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นเราอยู่เรื่อยไปเนี่ยพอมีตัวเราเกิดขึ้นมันก็เห็นเราเมื่อตัวเราเกิดขึ้นมันก็เห็นเราแค่เนี้ยมันก็พ้นไปจากความเป็นตัวเราเพราะว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วมันก็ดับไปเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็ดับไปงั้นตัวเราจริงๆก็ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแค่สังขารที่เกิดดับแล้วก็เป็นสิ่งถูกเห็นโดยธรรมชาติที่เรียกว่า สักแต่ถักสักแต่เห็นนะแม่ชัดเจนเลยครับตีใสหน้าคเลยเนี่ยครับเพราะว่าที่เพลินไม่แปลกเพราะว่าผมฟังอภิธรรมมาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งกุลแรกที่ว่าเข้าไปในป่าแล้วก็ฆ่านกก็เหมือนที่เราศึกษาอภิธรรมมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําตามศึกษาแล้วน้อมน้อมไปน้อมไปศึกษาไปมีความตระหนลึกซึ้งยังโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่เห็นตัวเอง ไม่เห็นตัวเองปุ๊บมันก็ยังมีเราอยู่ต่อให้แยกคว ส, สภาพตรงนั้นน่ะทีนี้ก็เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยมันให้เป็นตาตาอย่างที่เขากล่าวเป็นตาตาหนเนาะคือตาธรรมดวงตาเห็นธรรมด้วยปัญญามันใช่ตาด้วยด้วยจําที่ที่จำจำกันมาในตําราหรือคัมภีรซึ่งตรงเนี้หลวงพ่อทําให้เกินเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเลยแล้วก็ฉีกคัมภีร์ก็ตำราหมายความว่าตอนเนี้ผมก็เหมือนกับรู้สึกว่าได้ฉีกความรู้สึก ที่ความเข้าใจเก่าๆดีลิททั้งหมดที่ว่าเป็นเราเป็นเราเข้าใจเข้าใจเนี่ยกลายเป็นรู้เราก็้วก็ไอใครไปรู้ก็มีเราไปรู้เพราะถ้าไม่มีตัวผู้รู้ตรงนี้แล้วใครจะไปรู้ได้อธิบายอธิบายได้อย่างนี้ถ้าไม่มีผู้รู้ต่ออธิบายยังไงสาธยายยังไงก็ช่างแล้วก็ยังมีผู้รู้อยู่ดีมันก็เหมือนตอนนึงผมก็ลืมไปว่าเคยถามลุงป้าว่าขณะที่หลับจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ทุกอย่างขณะที่เราพรวางกับจิตนอนหลับสนิทเนี่ยเราไปไหนพอตื่นมา เมื่อคืนฝันไม่ฝันอะไรหลับสนิทหมดเลยถ้าใครไปรู้เนี่ยก็ผู้รู้เองแต่มองไม่เห็นครับเนี่ยครับผมบอกว่าอาวิชชาแปลว่าผู้ไม่รู้หรือพวกโง่เขาใอ้พวกนี้ง่ายตามภาษาบ้านผมอะเพราะฉนั้นปัญญาที่สําคัญยิ่งเพราะว่าในการสนทนาธรรมกับพ่อแม่บวอาจารย์เพราะว่าเราเราไปฟังมากแต่เราไม่ได้มีการสนทนาธรรมมันก็ทําให้เราหลงทางผิดซึ่งจากจากผู้ที่ไม่ไม่รู้ก็จะเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้น แต่ขนาดเนี้ยเนี่ยขนาดที่สนทนากับหลวงปอนี่ก็รู้อยู่นะสิ่งทงี่อธิบายเป็นชๆอตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราก็เป็นสังขาและขาที่ปรุงแต่งแต่ถ้าตัวเจรกรนี่เนี่ยเี่ยผมเข้าใจอย่างเงี้ยผมเข้าใจอย่างเงี้ยสังเกตผมจะไม่พูดว่าผมเข้าใจแต่ผมอธิบายว่าสิ่งที่พูดคือเพื่อเกื้อกูลแล้วก็ความโงภเขาของตัวเองครับขอบคุณครับสักแต่เห็นมันก็เป็นธรรมชาติอนะนะมันไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนตาบอดหรือคนตาดี เพราะคนเนี่ยมันก็คือเป็นชื่อสมมุติเนาะเอาที่อะไรไม่รู้อย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าคนแต่ธรรมชาติที่เห็นเป็นเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คนนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนาะเออเอาสึงแม้เราใช้ภาษาบอกคนตาบอดคนตาดีไอ้นั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้ตาบอดก็รู้ได้ว่าตาบอดตาดีก็รู้ได้ว่าตาดีอ่า เพราะนั้นหรือว่าตาบอดก็เห็นได้ว่าไอคนนั้นตาบอดสิ่งนั้นตาบอดหรือไอคนนั้นตาดีมันเห็นได้หมดแต่ธรรมชาติที่เห็นเป็นเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามันไม่ได้เป็นบอดมันไม่ได้เป็นคนเพราะนั้นธรรมชาตินี้มันจึงเป็นหนึ่งเดียวไม่ขึ้นกับอะไรทั้งหมดเลยเพราะนั้นเรียกว่าเป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะคือสภาพธรรมที่มีอยู่จริง นะพิสูจน์ได้มันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมที่ไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงๆแต่มันเพียงแต่ไม่ปรากฏเท่านั้นเองแล้วก็มันทําหน้าที่อย่างเดียวคือสักแต่ว่าเห็นคือสักแต่ว่าเห็นคือเห็นนะงั้นที่ถามมาก็คือถ้าเราแยกนะแยกแยะธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเข้าใจได้เลยว่าโอ้ไม่ขึ้นกับอะไรทั้งหมดเลยธรรมชาติเห็นไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศไม่ขึ้นกับ ตาดีตาเสียหรือเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานหรือเป็นผีเป็นเปดตเป็นอะไรไม่เกี่ยวเลย